วันที่3พฤศจิกายน2588ณวัดป่าบ้านตาด จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนเป็นผู้สแสดงมับ น, นี้เป็นโอกาสที่ท่านนับไปบุญทั้งหลายกระ ความธรรมะเพื่นะเป็นเครื่องับรลมปิดใจการประเด็นํารมะป่าไม่ค่อยจะมีหลักมีเกินอธิบายตปตามต่าตามเล็กอย่างนั้นการสะดับทำ ในขณะที่ทานแสดงปอะกอบโดทั้งรวมใจทั้งตนให้อยู่ในวงจาเพาะที่เรียกดความรู้สึกสัเพาะใจม่ ใ, ให้จิตทั้งเอาส่งไปในที่ต่างๆในขณะที่สังเกตธรรมเทืนาท่านแสดงลึกซึ้งหยากละเอียด จะไปเข้าไปสัมผัสที่ใจซึ่งตั้งไว้โดยดีแล้วและจะเป็นเครื่องบรรเทาใจทั้งเราถึงอาจเป็นการพิกซุ่มการดิการธรรมดาทั้งใจ้าเนลับความสงบลงในขณะที่สังเพล การฟังเทศใจโดยรับความสงบในขณะนั้นท่านเรียกว่าฟังเทศโดยความคำว่าฟังเทศโดยความไม่ได้หมายถึงดจดรมคําเทศของท่านบ้าแต่หมายถึงความสงบตามขั้นของจิตของท่านที่ฟังซึ่งมีท่านต่างๆกันคือยังไม่ได้รับความสงบ ในขณะที่ฟังเทศก็กรจรากิดเป็นความสงบขึ้นมาคือ ท, ที่มีความสงบเป็นพื้นฐานดีแล้วพอได้รับะบับทาเทะนั้นใายก็เริ่มอย่างเข้าสู่ความสงบแน่ๆไปฉ้นคือดำเนินในทางขันนานปัญญาเป็นขั้นขั้นของปัญญาไปแล้วขณะที่ฟังท่านแสดง จิตใจก็ายา่อมพยายามสอดสองมองรู้ไปตามที่ท่านแสดงคือม่ได้อยู่ในความสงบมีเป็นความฐานของจิตที่มีต่างๆกันใครอยู่ในขั้นใดในขณะที่ฟังเทศก็ายอม จะเป็นไปตามท่านของจิตทั้งสิ้นเป็นท่านใงความสงบขณะที่ฟังเทศก็มีความสงบเป็นลำดับจะอยู่ในท่านปัญญาจะเป็นปัญญาท่านใดก็าตามขณะที่ฟังเทศใจก็ที่แยนาไปตามที่ท่านแสดงส่วนใดที่ยังมีข้อข้องใจจะกฏอยู่ ซึ่งตนไม่สามารถจะแก้ไขได้ในขณะที่ที่จะมาโดยลำพังตนเองก็จะได้รับการแก้ไขาจากธรรมะอีกท่ันแสดงไปในขณะนั้นขณะนั้นครื่ององค์สมเด็จพระภูมิ้อคภาคาจะแสดงธรรมจึงจปรากฏว่าผู้ได้รับประโยชน์ในขณะที่ฟังเทศจึงมีั เมื่อเป็นเช่นนั้นการฟังธรรมเทศนาก็ดีการแสดงธรรมก็ดีจึงจับว่าเป็นความสำคัญสาหรับชาวพุทธขางเราซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังต่อธรรมเป็นท่านๆ ข, ขึ้นไปเื่เออธิบายถึงเรื่องการฟังเทศให้เข้าใจ ถูกต้องตามหลักห่งการตัธงทมวันนี้นะว่าเป็นวันอุดมมงคลคือบรรดาท่านผุกเป็นนักใจบุญทั้งหลายร้วนแล้วแต่ท่านผู้มีเกียรติในอิสารพยายามละทุกสิ่งทุกอย่างไม่นะว่าสมบัติเงินทองให้เห็นจากความจิ้นเตือง ตลอดเป็นชียิดซึ่งเป็นของมีคุณค่าก็สามารถสะละมาได้ทั้งจิตการงานทุกด้านไม่มีความอะไรมุ่งหน้าต่อที ง, งามความดีจึงจะเป็นสมบัติภายในทั้งตนซึ่งเป็นสมบัติจําเป็นประเภทหนึ่งแต่กรรมตัวของเราแต่ละท่านและท่านในสะละมาเป็นสติกําลังความสามารถทุกๆุกด้าน และมีพระเดชพระคุณท่านเป็นประธานด้วยในงานนี้เรียกว่างงานมหาตดถินซึ่งมีมาเป็นประจำปีตามพระพุทธานุญาตององทรงเด็จพระภูมิพระภาคจากทรงบัญญัติไว้ใหเ้เป็นความสะดวกสำหรับพระผู้เป็นนักบวชและเพื่อเป็นกุศลแก่บรรดาท่านสาธิตชนผู้ใจบุญทั้งหลายจะได้บำเพ็ญตามโอกาสที่พระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตปไวา้ เรียกว่าการละทานทานไปตามการทาหมดเกดสมัยแล้วก็ไม่สามารถจะทำไปได้คือกระถิ่นลทานนี้ต้องอยู่ในเกดกาหนดคือตั้งแต่วันแรกท่านหนึ่งเดือนที่นถึงวันเพิมเดือนที่สองนี่เป็นเกิดองการถวายทานทเรียกว่ามหากัะถิ่น เนี่ทุกๆท่านก็ในบำเพ็ญมาเป็นทุติยกำลังทุกๆปีแม้จะทางจะใจแสนใจก็ตามแห่งอีตสาหมาได้นี่คือความสำคัญดีที่จิตใจจึงในฝังลึกในระพฝังลงลึกในประพุทธศาสตา์ัานำเป็นหลักธรรมที่เป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ฝากเป็นฝากตายของขาพุทธทั้ ง, งเราเมื่อใจทั้งเราได้มีคำแน่แน่และเชื่อมั่นต่อกรรมและผลของกรรมที่ตนจะทาแล้วว่าจะต้องได้รับผลโดยแน่นอนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ า, าแล้วถึงจะยากลำบากหรือสิ้นเปลืองกักเท่าไหร่ ก็ย่อมมีทางที่จะเทียกแยะออกได้และมีโอกาสที่จะบำเพ็ญได้เพราะอำ น, นาจของความเที่อความเลื่อนสาเห็นว่าสมบัติภายในกับสมบัติภายนอกเป็นของคู่เพียงกันและเป็นความจําเป็นสําหรับเราแต่และท่านละท่านจะ ต, ต้องมีไว้เป็นเครื่องแก้ดับตนทั้งสมบัติภายนอกและสมบัติภายในฉะนั้นำคำว่าทิดถธรรม นิยัตประโยชน์และสัมปรายุทธผประโยชน์จึงเป็นธรรมจำเป็นสําหรับพวกใดผู้เป็นชาวพุทธทำวิปปธรรมนิยัตผลประโยชน์ไม่จะประโยชน์ในปัจจุบันนี้สัมปรายุทธผประโยชน์ไม่จะประโยชน์ในภาติหน้าเพราะชาตนี้กับแค่หนามันเป็นชาติของเราแต่ละท่านและท่านซึ่งจะเป็นไปตามเถือแห่งกัน และไปเป็นไปตามกฎแห่งธรรมดาของเราผู้เป็นสามัญชนซึ่งจะสืบเนื่องไปตามพบตามพาติเพราะอำนาจแห่งเพื่อดีทั่วภายในยังมีอยู่ภายในใจจะต้องดำเนินไปในทางสายนี้โดยไม่มีใครสามารถจะพัดพานหรือแท้นทางไม่ได้ว่าจะไม่ต้องต้องเดินไปตามทางสายห่งกฎแห่งธรรมดานี้ มือความจำเป็นมีอยู่สำหรับเราทุกท่านผู้จะต้องเป็นไปตามแถวแห่งกรรมหรือกฎแห่งธรรมดาเช่นนี้แล้วจึงต้องพยายามเตรียมตัวทั้งปัจจุบันน้าภาคคือสมบัติทั้งหลายที่จะให้เป็นไปเพื่อความสะดวกสมายในพิธีพันคือเวลาสันทนยังคลองตัวอยู่และเป็น ของจำเป็นซึ่งจะต้องอาศัยสินเยียดไม่แก่สมบัติภายนอกเราจําเป็นต้องจับต้องทําต้องแสวงหามาไว้เพื่อความจําเป็นซึ่งเป็นไปอยู่ในขันนี้ตลอดไปและความจําเป็นคือสมบัติภายในได้แก่คุณงามความดีที่เราบําเพ็ญดังที่ท่านทั้งหลายได้บําเพ็ญมาเป็นลําดับสําดับจนถึงปัจจุบันณวันนี้มีก็เป็นสมบัติพันจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนเราให้ได้สมคา ม, มุ่ง ม, มากกาภนาตามระยะแห่งเส้นทางที่เราจะก้าวไปที่เรียกว่าพบหน้าธาดหนาการเตรียมตัวไว้เช่นนี้คือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการบำเพงความดีเพื่อตัวเอง ทั้งในชาตินี้ทั้งในชาติหน้าความประมาทในสถานที่นี้หมายถึงความนอนใจความไม่ประมาทคือความไม่นอนใจไม่ได้หมายถึง ก, การติขินมินพาและดูขินมินหยด ย, ยั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นการนอนใจในตัวเองท่านี้เรียกว่าความประมาท ถ้าไม่นอนใจผิดพยายามต่อบตองมองหาเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แต่ตนแล้วบำเพ็ญลงไปนี้ท่านเรียกว่าเป็นความไม่ประมาทนอนใจจถึงถึงใดที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์เสียในวารานี้เราก็พยายามปับตรงุงหรือวินเป็นขวัญขวายเสียตั้งแต่ปัดนี้เพราะเมื่อได้จาก อัตภาพนี้ไปเพื่อโลกหนาคืออัตภาพหนานั้นเราไม่มีโอกาสที่จะช่อมแยมฤทดัดแปลงตนเองในภพนั้นๆเพราะนั้นเป็นผลของกรรมที่เราทําไว้แล้วตั้งแต่ปัจจุบันณีน้ข้าพนี้จะต้องแสดงผลให้เราได้รับแม้จะไม่เป็นผลที่เราต้องการก็าตาม แต่จำเป็นต้องยอ ม, ยอมรับเพื่อกันทุกอย่างเพราะเป็นสมบัติหรือเป็นผลแห่งกรรมของเราเองทั้งดีและชั่วมี่ที่ท่านสอนให้ประมาทก็เพื่ออนาคตของเราด้วยเพื่อปัจจุบันของเราในภาตนี้ด้วยธรรมะคำสัสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นธรรมะที่ออกมาจากความรู้ความฉลาด ออกมาจากหลักเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญและได้ประสบครบเห็นมาเียกว่าเป็นธรรมที่ตายตัวหรือเป็นธรรมที่รับรองเป็นธรรมที่ไว้วางใจแต่ท่านผู้ที่มีความเพียรทำเลื่อนสายและปฏิบัติตามสวขาปัตตธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่เราท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้ เพเนื่องจากความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแน่จะมีความยากความลำบากในการไปการมาการเสียสละหรือการทุกสิ่งเพราะเกี่ยวกับการมานี้ก็ตามก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเพื่อขีดขวางต่อการมาทั้งกลนสามารถข่าฟื้นสิ่งขัดข้องทั้งหลายเหล่านั้นมาได้มีคือความเชื่อกรรม และเพื่อผลแห่งกรรมที่เราจะถึงได้รับจากถึ ง, งามความดีที่ตนพยายามทำนี้วันนี้จะอธิบายถึงอยากปฏิบัติทางด้านจิตใจให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบเพราะการอธิบายส่วนภายนอกก็เข้าใจว่าทุกๆท่านคงไม่มีข้อข้างใจสงสัยอะไรเนื่องจากเคยได้บำเพ็ญและเคยได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานาน แต่ทางด้านจิตใจรู้สึกจะมีความลี้ลับสับสนกันอยู่มากสําหรับท่านผู้บำเพ็ญดูก็ดีหรือท่านผู้กําลังจะเริ่มบำเพ็ญก็ดีผู้ที่บำเพ็ญเป็นไปโดยลำดับแล้วก็ดีความสงสัยข้อข้องใจย่อมจะเป็นไปตามระยะของการบำเพ็ญทุกทุกท่านดังนั้นการอธิบาย หลักจิตปภาวนาเป็นความจำเป็นสำหรับผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาทางด้านจิตใจเพื่อความถูกต้องและความราบลิ่นต่อตนเองในการต่อไปาธรามะภาวนาได้แก่การอบรมใจของตน ที่มีกระแสซ้านไปยื่ทุกแห่งทุกหนและเป็นไปดื่แทบจะพูดได้ว่าตลอดไมใจที่มีความุ่งร้านหรือทรงไปอยู่เช่นนั้นเป็นแจตจ่จำมิใส่เจงไม่ค่อยจะปรากฏความแปลกประหลาดของใจและไม่ค่อยจะปรากฏความสุข ขึภายในใจตัวเองให้เป็นที่มั่นจัดการอบรมใจนี้เพื่อจะรวมกระแสของใจให้รวมเข้ามาสู่ตนเองเมื่อกระแสของใจได้ย้อนเข้ามาสู่ตวเองสู่ตัวเองโดยมีความรู้อยู่จำเพาะใจมีคำเรียกว่าใจสงบถ้าใจเริ่มมีความสงบ ความแปลกประหลาบหรือความสุขก็ยอมจะปรากฏขึ้นในขณะนั้นถ้าหากว่าไม่มีความสงบเลยกายของเราทั้งทนใจของเราทั้งดวงก็รู้สึกว่าจะไม่ปรากฏว่ามีความหมายอันไหนแต่เมื่อใจเริ่มมีความสงบเข้ามาจนเป็นความสงบ ตามหลักของสมาธิหรือตามหลักของการบำเพ็ญิจปะภาวนาแล้วนั่นแหละเราจะทราบได้เป็นลำดับในความสำคัญของจิตหลักการกําหนดใจเพื่อความสงบทนอธิบายไว้หลายหนมากมายแต่เราควรสังเกตใจของเราในขณะที่จะอบรมกับธรรมบทบา เป็นอนาปานาสติเป็นต้นถ้านนำทำบทนั้นๆเข้ามาอบรมใจใจเป็นไปเพื่อความกอดโปร่งโล่งโค้งเป็นไปเพื่อความสมายเยือเกเยนแล้วเป็นไปเพื่อความสงบจะเป็นทำบทใดก็าตามโปรดได้ทราบว่าทำบทนี้ถูกกับจริตของตนแล้วแล้วดิ้บทำบทนั้นไว้เป็นเครื่องพิจรารณาหรือเป็นเครื่องอบรมใจต่อไปด้วยความมีสติ สติเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันใจของตนไม่จะไปสายไปสู่อารมณ์ภายนอกอันเป็นเครื่องทําพิษปิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในขณะที่ภาวนาให้มีสติกํากับใจของตนไวเช่นนั้นการหายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้สึกดูจำเพาะความสัมผัสของใจ ลมหายใจเข้าออกซึ่งติดอยู่กับกายของเหล่านี้จัดว่าเป็นปัจจุบันถ้ากำหนดตามอาการก็เรียกว่าปัจจุบันกาหนดลมก็เรียกว่าปัจจุบันเมื่อจิตอาศัยอยู่กับหลักปัจจุบันใจก็จะกลายเป็นใจเป็นปัจจุบันนจิตขึ้นมาใจที่เป็นปัจจุบันนาจิตยอม มีพลานุภาพมากมีความสงบเยือกเย็นมีความแม่นหนามั่นคงต่อตัวเองและมีความสุขที่แตกประหลาดขึ้นมาภายในใจมีเรียกว่าความสงบที่เกิดขึ้นจากการภาวนาความสงบ ยังมีหลายขั้นคือใจที่มีความสงบลงไปแล้วปรศาศจากการคิดเกี่ยวกับเรื่องภายนอกแต่มีความคิดอยู่ภายในใจทั้งตนโดยเฉพาะนี่สีรียกวความสงบประเภทหนึ่งใจปราศจากาความคิดกับสิ่งภายนอกด้วย แปราจากความคิตตึงภายในตัวเองด้วยแต่มีความรู้สึกอยู่โดยเฉพาะตัวเองไม่มีความกระเทือนแต่อย่างใดมีทวามเรียกว่าเป็นความสงบประเภทหนึ่งประเภทนี้ท่านเรียกว่าเอกคตาลมคือมีอารมณ์อันเดียวเฉพาะความรู้เท่านั้นแม้ลมหายใจหรือพุทโธเป็นต้นที่เคยนำมาบริกรรมในขณะนั้นย่อมปรากศจาก ทั้งสองประเภทนี้ก็เป็นประเภทใบก็ตามที่ตนได้นำมาใบกรรมในขนาดนั้นคือปล่อยวางไปชั่วขณะทรงตัวไว้ได้ความรู้รือโดยเฉพาะมีคววัาลเอียบความสงบประเภทหนึ่งในข่้นแห่งความสงบอีความสงบประเภททีละเอียดเข้าไปใจมีความสงบ เป็นเอกข้ตา at ลมด้วยความรู้สึกในส่วนแห่งร่างกายทุกส่วนไม่ปรากฏภายในใจแต่ปรากฏเป็นเหมือนกับอะไรสินงอากาศว่างกาาไปหมดเหลือแต่ความรู้จเพาะตนเองเท่านั้นมีเรียกว่าความสงบอย่างละเอียดมาก ความสงบทั้งสามประเภทนี้ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความเยนใจขึ้นมาตามขั้นแห่งความสงบทั้งต้นความสงบประเภทประเภทแรกก็มีความสุขเป็นไปพอประมาณความสงบประเภทที่สองความสุขก็เพิ่มขึ้นอีกมากถึงขั้นความสงบที่สามรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเป็นความสุขที่อัศจกัน แต่ตลาดมากมายความสุขประเภทนี้เป็นความสุขที่ไม่มีวันหลงลืมหากว่าเราจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาอันเป็นขั้นกลางหรือขั้นละเอียดก็ตามแต่ความสุขที่เราเคยผ่านมาเพราะสมาธิประเภทนี้จะเป็นเครื่องฝังใจให้ได้เป็นอารมณ์คิดถึงอยู่ตลอดเว ล, ละ เพราะเป็นความสุขที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์มากภายในจิตของผู้ที่ได้ผ่านมานั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้เป็นนักภาวนาจึงมีความดูดดืม่มหรือติดใจได้ในสมาธิจนบางรายไม่สามารถจ ะ, จะพิจารณาค้นคว้าทางกัญญาได้เนื่องจากความแปลกประหลาดหรือความสุขที่ปรากฏขึ้น เพียงท่านสมาธิเท่านั้นก็เข้าใจว่ามีความสุขเพียงพอแก่ตัวเองแล้วไม่จําเป็นจะต้องแสวงหารรมอื่นใดให้ยิ่งขึง้นไปกว่านี้เพราะเข้าใจว่าความสุขประเภทนี้ก็พอตัวอยู่แล้วแต่ความสุขประเภทนี้กับความสุขที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจของปัญญาคือการท้นคว้าพินิจที่แก่นาะนั้น มีความสุขต่างกันมากมายความสุขประเภทนี้ปรากฏเพียงขณะที่จิตพักตัวอยู่แต่ไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสประเภทใดออกได้อย่างเด็ดขาดแต่อำนาจของปัญญาที่พิจารณาค้นคว้านั้นสามารถจะถอดถอนกิเลสเพื่อฝังอยู่ภายในจิตใจของตนออกได้เป็นลำนับลำัก จนสามารถถอดถอนีิเลศออกได้ทั้งมวลจากไกลดวงนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านนักปฏิบัติซึ่งควรจะใช้ปัญญาค <c oughs> ำว่าปัญญาคือการไตรตรองความคิดอา่านตอดรู้ในสิ่งต่างๆจะเป็นส่วนของร่างกายก็ตามจะเป็นส่วนของความสุขความทุกข์ ที่เรียกว่าเวทนาก็ตามจะเป็นเรื่องของสัญญาคือความจดจําก็ตามจะเป็นเรื่องของสังขารคือความคิดความตุงภายในใจก็ตามจะเป็นเรื่องของวิญญาณวิญญาณความแักรู้ในเวลาที่มีสิ่งมาสัมผัสก็ตามปัญญาจะสามารถ ขอบค้นหรือรู้เท่าทันกับสภาพที่กลับมานี้ออกได้เป็นลํำดับลำดับการกล่าวมาในปัญญาทั้งสองประเภทนี้เป็นปัปญญาขั้นยากขั้นกลางปัญญาขั้นหยากได้แก่การพิจารณาส่วนร่างกายให้เห็นชัดตามเป็นจริงของสภาพแห่งกายของตน และสิ่งภายนอกซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันนี่จะเป็นปัญญาขั้นตน้นปัญญาที่สามารถพิ่จะนารู้เท่าทันขับนา ม, มาทำทั้งสี่ที่กล่าวผ่านไปเมื่อจะกินี้เรียกว่าปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นละเอียดสามารถอดรู้แลักฐานของอาการ ทั้งสี่คือเวทนาปัญญาทั้งสามยินยานด้วยสามารถสอบรู้ทั้งรูปประขันคือส่วนร่างกายนี้ว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากอะไรด้วยสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากรูปประขันนามะขันทั้งสองประเภทนี้คืออะไรนั่นเป็นปัญญาที่ละเอียดยิ่งที่ท่านกล่าวไว้ใน ถ้าสูตรว่าอาวิชาปัจจญาสร้งข้ารานี่หมายถึงปัญญาขั้นนี้แหละเป็นปัญญาที่ละเอียดมากเมื่อปัญญาสามารถพิจารณาตอบรู้เข้าไปถึงร<ม>ากฐานของอาการทั้งห้าคือรูปเวทนาปัญญาสั้งฐานหยินหยานี้แล้วจะไม่มีสิ่งใดสามารถจะนําจิตดวงนี้ให้เที่ยวเกิดแก่เกิดตาย ในพบในชาตที่ทํานเรียกว่าวัฏฏบุนี้ได้อีกต่อไปมีท่านเรียกว่าวิมิตะคือความหลุดพ้นไปจากความหมุนเวียนภายในตัวเองคือความหมุนเวียนภายในใจของตัวเองคีอเกี่ยวกับการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดเป็นชาตินั้นชาตินี้เหล่านี้ท่านเรียกว่าพบทางนั้นเรียกว่าชาติเรียกว่ากองทุก คือเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเมื่อปัญญาได้สอดรู้เข้าไปถึงฐานที่ตัง้งทางกิเลสส่วนละเอียดที่สุดที่ทำเรียกว่าอาวิชชาแล้วปัญหาเรื่องของโลกก็ดีเรื่องของธรรมทั้งมวลก็ดีจึงสิ้นสุดลงในขณะนั้นจิต ด, ดวงนั้นเป็นจิตที่ผ่านพ้นจากสมมุติ ไม่มีสมมุติที่จะเข้าเครือบแฝงจิตดวงนั้นได้อีกท่านจริงให้คือเพื่อความรู้ชัดในสมมุติทั่วๆไปว่าวีมุตตนี่คือปัญญาท่านละเอียด้าจิตได้ก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วเรื่องปัญหาของโลก จะกว้างแคบลึกตื้นยาละเอียดแค่ไหนก็เป็นอันว่าดุติกันลงได้ปัญหาเรื่องธรรมะส่วนหยาส่วนกลางส่วนละเอียดแม้จะไม่ไรู้กว้างขวางถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์บางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็าตามแต่ก็หมดปัญหาภายในใจดวงนั้นนี่อำนาจของปัญญา เป็นสิ่งที่สามารถยกจิตให้หลุดพ้นได้อย่างนี้ฉะนั้นคำว่าสมาธิและปัญญาจึงเป็น ร, รันจำเป็นเสมอกันที่เราจะควรใช้ในการเวลาที่ควรท่านนักปฏิบัติเมื่อได้ทำความสนใจกับใจของตัวเองอย่างจริงจัง ให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วอย่างไรต้องมีหวังรู้เห็นความจริงภายในตัวเองเพราะหลักธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนมานานแสนนานเท่าไหรก็ตามก็ต้องสอนลงที่หลักความจริงซึ่งมีอยู่กับเราและท่านทุกๆรายด้วยกันไม่สอนให้ผิดจากหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี้ไปได้เลย ตัวของเรานี้มีอะไรบ้างก็มีกายกับใจเท่านั้นเมื่อสรุปความลงแล้วมีสองประการเท่านี้คําว่าอริยสัจคือทุกสมูทัยมิโรดมากก็มีอยู่ที่กายที่ใจของเราอริยสัจยังแยกออกหลายประเภทอริยสัจภายนอกทั่วขั้วไปนั่นเป็นอริยสัจประเภทหนึ่งอริยสัจเกี่ยวกับเรื่องกายของเหล่านี้เป็นอริยสัจประเภทหนึ่ง อริยสัจเกี่ยวกับจิตใจล้วนๆเป็นอริยสัจประเภทหนึง่งเมื่อแยกอริยสัจแล้วมีหลายประเภทแต่รวมเข้าไปแล้วก็ลงในใจดวงเดียดเมื่อเห็นใจเป็นอริยสัจอย่างชัดเจนแล้วความทุกข์ก็ปราปลดขึ้นมาในขณะนั้นหากยังไม่เห็นใจว่าเป็นอริยสัจ ดุกราบใดเราก็ยังต้องหลงตัวเองและหลงทั้งธรรมหลงทั้งโลกโดยไม่ทราบว่าโลกเป็นอย่างไรธรรมเป็นอย่างไรอริยสัจคืออรแม้จะนั่งทับนอนนอนทับอริยสัจอยู่เราก็มีโอกาสสามารถจะรู้และถอดถอนตัวเองหรือรู้เท่าทันอริยสัจได้ขณะธรรมะธรรมจังสอนทั้งพระโพธิจา ยังทรงไว้ซึ่งมัจจิมาตลอดการเพราะเหตุดักเพราะอาริยสัตว์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากกายกับจิตของคนและสัตว์นี้ไปเป็นอื่นพอที่จะให้อริยสัตว์จะทำของพระพุทธพอที่จะให้ทำทำว่ามัจจิมาของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงไปด้วยจะนานหรือไม่นานนั้นเป็นเพียงมืดกับสว่างที่ผ่านกันไปผ่านกันมาอยู่เพียงเท่านั้น แต่หลักปฏิปธรรมนั้นเมื่อตั้งรูปตั้งนามขึ้นมามีใจเข้าครองตัวแล้วต้องจับว่าเป็นอริยสัจอย่างสมบูรคือทุกขษั์ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาเมื่อตั้งพบตั้งถ่สมูไ ท, ทยสัจก็จะเริ่มแสดงตัวออกมาผู้มีความสนใจแค่จะถอดถอนตนเองให้พ้นจากทุกสมูไทยที่เก่าก็ต้องเป็นผู้สนใจต่อหลักธรรม ได้แกข้อปฏิบัตินับแต่แทนสีนภาวนาขึ้นไปเป็นขั้นขันนี่คือทำเครื่องแก่เครื่องผูกมัดภายในใจของตนทำเครื่องอบรมหรือแก้ไขนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ก็สามารถที่จะถอบถอน้าศิกภายในใจของตนออกได้มากเท่านั้น เมื่อมรักมีกำลังเต็มที่แล้วก็สามารถถอด ถ, ถ, ถอนทุก อ, อกจากใจของตนได้โดยสิ้นเชไม่มีปัญหาอันใดต่อไปนี่พระพุทธเจ้าที่ทนันวัาตรัสรู้ก็คือรู้ความจริงที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์เองและรู้ในพรากายของทงเองตลอดสาวกทั้งหลายมีความรู้เช่นเดียวกันเพราะควัวมาอริยสัจมีประเภทเดียวกัน ไม่มีอันไหนที่จะผิดแตกแตกต่างกันไปนับตั้งแต่ครั้งโน้นมาเป็นกระทั่งสมัยทุกวันนี้เป็นสัจธรรมเข้าเทียมกันไม่มีอันไหนแตกต่างกันฉะนั้นคำว่ามัตติมามาัติปัฏฐาที่พระองค์ท่านสอนไว้จึงไม่จําเป็นจะต้องเสี่ยนแปลงให้เป็นอื่นไป ควรจะเรียกว่ามาัตติมาได้ตลอดกาลเพราะตัดไว้โดยชาติแต่การปฏิบัติใจต่อใจตนเองนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องฝืนบ้างเป็นธรรมดะเพราะเราไม่เคยทำตามธรรมนาของจิตมีทางที่จะออกไปอยู่เสมอไม่มีทางที่จะมกกลับเข้ามาสู่ภายในตัว คิดไปมากเท่าไรก็ยังยิ่งมีความพอ อ, อกพอใจที่จะคิดไปไม่ได้คํานึงถึงมากความคิดนั้นถูกหรือผิดดีหรือชั่วให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไรบ้างเพราะความเคยชินของใจแต่เมื่อได้ใช้ปัญญาหรือาได้รับการอบรมเพื่อหายใจท้องเราได้ย้อนกระแสเข้ามาสู่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะแล้วก็ย่อมจะเห็นเรื่องของตนเป็นลำดับลำดับไป เริ่มตั้งแต่ความสงบบางที่กล่าวมาแล้วจนเป็นใจที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบตัวเมื่อก้าถึงขั้นความสงบและขั้นปัญญาเป็นขั้นขั้นแล้วความพอใจที่จะอบรมจิตใจของตนให้มีภูมิสูงขึ้นไปเป็นระดับนั้นไม่มีใครจะต้านกางหัวห้ามไม่ได้และไม่มีสิ่งใดจะมาเป็นอุปสรรคต้านทานจิตใจดวงนั้น มีความหนักแน่นมีความดุดเดินในธรรมะคําสอนคำพระโพธิเจ้าเป็นกําลังหลับเว้นจากหลับเท่านั้นจะเป็นผู้สนใจต่อการพิจารณาเพื่อถอดถอน ต, อ น, ตอนเองเป็นลำหนักลำหนักเพราะธรรมะเป็นของที่มีรสชาติยิ่งกว่ารสชาติทั้งหลายที่เราได้เคยผ่านมาเป็นขั้นๆ้นไปตามหลักแห่งธรรมที่เป็นบั่เพียง ขัานจริงเล่าไว้ในธรรมะรสแทงธรรมชนะซึ่งลดทั้งหลายทั้งปุกแต่เรายังไม่สามารถรสของธรรมเพราะเราไม่เคยได้ดำเปจึงไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีความสนใจพอเมื่อได้รู้ได้เห็นชอาเป็นลำหนับลำหนับความสนใจก็ต้องมีมากขึ้น ตนเกิดความ้งใจอย่างเต็มที่จะอยู่ในสถานที่ใดอิริยาบถใ ด, ดมีความมุ่งหวังอย่างแง ง, ง, ง, งงกล้าที่จะยกตนให้พ้นจากกองทุกไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่จะไม่ยอมจะอยู่ในภพไม่ยอมจะให้ตกพางอยู่ที่ไหนแม้จะเป็นภพที่ดีที่สูงเยี่ยมก็ตามแต่ถ้าไม่ถึงยอดแล้วไม่ยอมป่อยวางคำวมายอดหมายถึคยคงความหลุดพ้นจากทุกโดยถ่าย พราะอำนาจแห่งปัญญาที่เห็นโทษก็เห็นอย่างเต็มใจเห็นคุณก็เห็นอย่างเต็มใจในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหลักธรรมะเมื่อจะกล่าวแยกออกมาเป็นเครื่องเทียบเทียงแล้วก็เทียบกันหน้าเหมือนกับว่าของบวกสองเป็นสี่หนัก คำว่าสองบวกสองเป็นสี่นี่จะเป็นเด็กบวกก็ตามเป็นผู้ใหญ่บวกก็ตามใครจะบวกอยู่ในที่ไหนไหนก็ตามสหาที่ทัดข้านกันไม่ได้เพราะสองบวกสองก็ต้องลงเอ่ยคำที่ 4. สี่สกลาจินห้าไปไม่ได้นี่ลักหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัดไป้ว่าเป็นสาาัมปชัญญะตรัธรรมคือตรับไม่ชอบแล้ว ได้จะสองหกสองต้อ ง, งเป็นสี่จะให้เป็นอื่นไปไม่ได้กฎของกรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันการทําดีต้องได้รับผลดีการทําชั่วต้องได้รับผลชั่วจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้การทําดีจะกลายเป็นชั่วการทําชั่วจะกลายเป็นผลดีขึ้นมานี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพุทธเจา้า เช่นเดียว ก, กันกับไม่มีในหลักแห่งการบวกว่าสองบวกสองต้องเป็นห้าแต่ต้องเป็นสี่เสมอไปหลักธรรมที่ท่านว่ไาไว้ว่าปุชราธรรมะอาปุชราธรรมาก็า ม, ามีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันเพียงจัดม่าเป็นธรรมรับรองโลกได้ยอย่างสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพธธุทธไตรจแล้วเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกกับสี่เป็นแปดเริ่มปฏิบัติถูกไปตั้งแต่ต้นถูกไปเป็นลำหนับลำหนับจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายได้แก่นผลนิพพานก็เป็นทำนองเดียวกันกับหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองขึ้นไปนับเป็นล้านร้านก็ต้องบวกโดยถูกต้องอย่างนี้จะเป็นผลที่สมบูรณ์หลัดธรรมที่เรียกว่านิยานิกธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน จะนำผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามภูมิของตนให้บุดพ้นจากอุปสรรคเร่องขีดขวางหรือความทุกขท์กข ท, กขทรมานไปเป็นขั้นขั น, ขนนับตั้งแต่ขั้นตนจนถึงขั้นสุดสุดหมายปายทางจะหนีจากหลักนิยานมในกรรมที่ผู้บำเพ็ญทำโดยถูกต้องแล้วไปไม่หด้หนีเป็นหลักธรรมที่รับรองในพุทธศาสนาของเรา ไม่มีสิ่งใดจะคัดข้านหลักธรรมของศพระพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์ท่านตรัไดไว้ตามหลักคติธรร ม, มดาไม่ได้จัดไว้โดยฝืนคติธรร ม, มดาการรู้สังพพุทธเจ้าจนถึงแนะนําธรรมะมาประกาศศาสนาก็รู้ตามหลักธรรมชาติที่หลักธรรมดาไม่ได้ฝืนแต่อย่างใดเช่นเกิดเกิดแล้วตั้งแต่ต้องเก็บต้องตายดังนี้ส่วนต่ แล้วจะให้เป็นอิ่นตามอำ น, นาจตอบพิจารณาตามคำแกรสภาพเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรตอบพิจารณาแต่ด้วยอํนนานาจของปัญญามันแก่เป็นอย่างไงคนแก่เป็นย่างไงต้นไม้แก่เป็นอย่างไงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแก่แล้วก็จะต้องสลาย่ะตัวของเราเมื่อเกิดขึ้นมาเล็เกเลือดเลดเป็นอย่างนั้นต่อมาก็เป็นอย่างนี้ต่อมาก็แก่โดยเป็นลำหนักก็อห้ลงสลาย มีหลักธรรมชาติของพระพุธทธเจ้าท่านสอนหลักธรรมของพระพุธทธเจ้าท่านสอนตามหลักธรรมชาติให้ฝืนคือให้รู้ตามสภาพตามจริงของแต่และสิ่งละสิ่งทั้งภายนอกและภายในของตัวเราเท่านั้นที่ใจของเราไม่ได้รับความสุขความสบายเป็นการปฝืนธรรมชาติอู่นี้ก็เพราะการความรู้ความเห็นของเราฝืนธรรมชาตินั่นเไม่ใช่อินทรีย์ที่ไหนเป็นเรื่องยาวปฝืนเระ สิ้งที่ชั่วเราก็เห็นว่าเป็นดีสิ้งที่ไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นของเที่ยงแน่นหนาท้าหบอกสิ่งที่ไม่สวยงามเห็นว่าสวยงามสิ้งที่ไม่มั่นคงเห็นว่ามั่นคงทิ้งที่จะแตกจะดับอยู่ร่างเข้าใจว่าจะมีความแน่นหนามั่นคงไปตั้งกับต่างกันมีเป็นความเสียสัให้ผิดจากหลักธรรมชาติจึงกลายเป็นความผืนหลักธรรมชาติและเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจของเรา จึงไม่จัดว่าเป็นครรมรู้ที่ชอบครับแต่ที่เราพิจารณาให้รู้ตามสภาพความเป็นไปของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในโดยหลักของปัญญาให้ถูกต้องแล้วใจจะฝืนธรรมชาติไปที่ไหนก็ต้องลงในหลักธรรมชาติคือรู้ตามเป็นจริงที่ท่านกล่าวไว้ว่ายะถาภูตังยานาทะตะนะ คือความรู้เห็นตามเป็นจริงของสภาพทั้งส่วนหยาส่วนกลงส่วนละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรวมลงแล้วท่านบอกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าภายนอกภายในโลกนี้เป็นโลกของไตรลักษณ์ภายนอกก็ต้องเป็นอณิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวของเราภายในใจของเราก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตัวผีปัญญาอย่างทราบตรงตามหลักปิติธรรมะธรรมนาชนีดเดีวก็ต้องถอดถอนออก ควืนนั้นออกมาไม่ยอมจะไปคัดค้างตามหนักธรรมชาติใจก็มีความสบาไม่ต้องไปฝืนอะไรไม่ต้องไปแบกไปหามอะไรให้หนักเหน่องท่วงขีดใจเลยับความทุกข์ทำมาสัภาพทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นสมบัติั้งเราที่รับความผิดภาพอยู่ก็ตามเราก็ให้ทราบว่าสภาพนั้นเป็นอย่างไรตามหลักคติธรรมนาเวลาได้มาก็ไม่ดีใจจนเพ้อเทนจนถึงจะให้ตัวเนื้อเกินตัว เวลาเสียไปก็ไม่มีความโศกได้จนเกิดเหตุเกิดผลใจก็ไม่รับความทุกข์ทรมานเพราะความโศกแค่นั้นเพราะรู้ชะตาการมาและการไปการได้มาและเสียไปการผสมหรือว่าการรวมควาเข้าและการแตกกระ จ, า, จะายกระจายการสลายลายแฉมสิ่งที่รวมทั้งหลายที่ทำนียกว่าสัขงขานต้นไม้ท่านควเรียกว่ารแข่งขานเพราะเป็นสิ่งที่ผสมสิ่งฉาลาเนี่ท่านควเรียกแั่งขานเพราะเป็นสิ่งที่ผสม ตัวของเราคือร่างกายนี้ก็เรียกว่าสังขารคือเป็นส่วนผสมความรวมกันเข้านั้นแหน่ท่าเรียกว่าสังขารเมื่อสังขารอันนี้ได้กระจาย ก, การะจายที่ออกจากความเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราก็ไม่ไม่มีความเจือกเจือใจเพราะทราบว่าสิ่งนะ น, นี้มันรวมตัวเข้ามาชั่วระยะการแย่สลายตัวไปตามสภาพของเขาหรือตามกวามขังขาใจก็ไม่เหลือร้อนเจือใจนี่ หลักธรรมท่านสอนไว้ตามหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นผูน้พิจารณาจริงให้พิจารณาให้รู้ตามหลักธรรมชาติเท่านั้นไม่ให้ฝืนเมื่อรู้ตามหลักธรรมชาติแล้วใจก็ต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นซึ่งไปสั่นันหรือฝืนตัวเอาไว้ให้เกิดความทุกข์ความลำบากเข้ามาภายในตัวเองก็ได้รับความทุกข์โดยลำบากเล่นหนักนัก้น นี่พ่วพระพุทธเจ้าท่านแจกไปารู้ตามหลักคติธรรมชาและคติธรรมนิยทั้งภายนอกทั้งภายในกายมีอะไรบ้างที่แสงอยู่ภายในซึ่งเป็นเครื่องผลให้เราได้รับความทุกข์ความรำบาดก็ให้จะมาให้เห็นชัดตามหลักธรรมจริงเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกก็ถอนตัวออกมาน่ากายเป็นธรรมบริสุทธิ์หมดสับหมดเสร็จขึ้นมา รู้รู้คติธรรมดาเป็นความปุขเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่คงที่ไม่ได้เอียงไปตามสิ่งใดทั้งสิ้นที่นั้นออกทั้งหมดเรื่องความเปลี่ยนก็ปรากฏขึ้นในสถานที่นั้นเองไม่ได้มีความเปลี่ยนที่จะขอเหินเดินมาจากที่ไหนแต่ปรากฏขึ้นในสถานที่นั้นเพราะหมดสิ่งที่ปกคลุมหุ่นผอมแล้ว เรื่องของใจให้เป็นใจที่บริสุทธิ์ข้อเช่นเดียวกันที่เราเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้ก็เนื่องจากสิ่งปกคลุมหุ้มหอมภายในใจของเราหนีมากการอบรมจิตใจน้การบําเพ็ญคุณงามความดีทั้งหมดนี้จึงเป็นเช่นเดียวกับการผ่าถ า, างหรือบายาขนสิ่งที่ลบุงลังออกจากสถานที่นั้นให้กลายเป็นสถานที่เปียนขึ้นมานั่นเองดังนั้นท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย โปรดได้นําไปพินิษฐ์พิแกนมาตามหลักธรรมที่อธิบายมาตามตัศน์คำหลัความสามากหนึ่งจะได้เห็นผลกระจัใจของตนเรื่องทั้งหลายที่เราเคยท่องใจสงสัยซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองว่าเคยเป็นมาเคยผ่านมาโดยตัวของเราเองเราก็จะทราบพัดขึ้นในหลักธรรมชาติคือใจธรรมนิยมในาสามแห่งธรรมเทศานานี้ขออานาจแห่งินดาณนนุภาพแห่ององค์ส่วนเด็ชที่มีพระธาตจ้า ควาตั้งใจทำแลระสงถึงมาอภิบานท่านทั้งหลายให้มีความจิตใจสบายใจโดยเท่านั้นเอ